สำหรับที่มา ก, ก่อนวันนี้คือเราตามที่กำหนดว่าที่ีหรือที่5้านี่มาทำกิจกรรมเจริญสติทางกายรักษาสติโดยการออกกำลังกายเพื่อดูแลร่างกายถ้าอยังตื่นก่อนหน้านั้นก็ได้นะมาเมื่อคืนตื่นมาที่สองครึ่งเดินถึงสัก ที่สามครึ่งก็ออกรามางกายถึงที่สี่ก็ก็มานะแต่ว่าคนไหนที่ตื่นไม่ได้ขนาดนั้นก็ให้ได้ก่อนที่สี่นิดหน่อยก็ได้ตามกำลังวันไหนที่เรานอนสมาธินอนใช้จิตสงบได้เหมือนเข้าฌานก็ตื่นไวเพราะมันหลับลึกแต่คนไหนนอนแบบไม่ได้เตรียมสติไม่ได้เตรียมสมาธิก็ จะหลับตื่นก็จะตื่นช้าหน่อยคนไหนที่ขณนะนอนสมาธินอนเข้าฌานเป็นสามสีชั่วโมงก็อิ่มแล้วนหวลับลึกตื่นไวเพราะนั้นการนอนเป็นการฝึกการเข้าฌานอย่างดีไม่ชอบนั่งให้ลาบากนะการเข้าฌานแบบนอนหลับลึกฝึกไว้บ้างก็ดีแล้วก็ช่วงตีที่สี่ ถึงที่ห้าช่วงที่ห้านี่คนที่ตื่นมาความจริงมันยังไม่ต้องอาบน้ำอ่ะไม่ต้องอาบน้ําล้างหน้าก็ได้มาไอเรื่องซด์ก่อนพอไอเรื่องเสร็จไปอาบน้ำล้างหน้าทีเดียวตอนที่ห้าแต่ถ้าคนในที่อาบน้ําล้างหน้ามามาแล้วก็มาออกกําลังกายก็ดูเหมือนว่าจะออกไปออกซ้ําอีกนะเพราะฉะนั้นที่ห้าถึงที่ห้าครึ่งเราก็จะเปิดเทปอย่างตรงเช้าเนี่ยทําเป็นแบบอย่าง คนที่ไม่ได้ไปอาบน้ําร้างหน้าปฏิบัติรอที่นี่ก็ฟังฟังเทปไปด้วยตีห้าครึ่งเราก็ทําวัดถึงตีถึง6กโมงเช้าจากหกโมงเช้าไป็นงเจ็ดโมงก็เป็นการเรียนอารมณ์เรียนการฟังช่วงการฟังช่วงการเพิ่มปัญญานะการฟังทุกครั้งเป็นการเพิ่มสุตะะมัจยปัญญา เขาเป้าหมายเพื่อจะเพิ่มแสงสว่างทางจิตใจคือปัญญาเนี่ยเพราะรู้ว่าสิ่งที่เราต้องเรียนก็สองอย่างก็คือเรียนว่าต้นเหตุของทุกข์คืออวิชชาที่เราก็จะเรียนรู้ว่าจะทำยังไงให้เกิดวิชาไปแก่วิชาแค่นั้นนะเรื่องสั้นๆมีอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นในช่วง6กโมงถนะึง7จ็ดโมงก็เป็นการการเรียนวิชาก็าได้ การทําวิชาให้เกิดเพื่อที่จะไปทันรู้อวิชาเข้าเจ็ดมงทานอาหารสําหรับเช้านี้ก็ทานปกติไปก่อนที่เคยทานอย่างไรแต่พวกนี้เป็นต้นไปแล้วก็คือลักษณะบุฟเฟ่ก็คือั้พระนี่เราก็ไปตักเหมือนโยมไม่ต้องไปตักไม่ต้องไปตั้งโต๊ะให้พระต่างหากเสร็จแล้วก็ขึ้นมานั่งทานที่นี่แล้วเราก็จะฝึกในการทานอย่างมีสติด้วยนะ ขณะนั่งทานหาเรก็จะอาจจะมีเทปของครูบาอาจารย์ได้ฟังที่เป็นประโยชน์นะดังนั้นการเพิ่มสุตะเนี่ย้งทำได้เรื่อยๆส่วนสุตะมายาปัญญาจะไปแปลงเป็นจินตาและภาวนาได้มากเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเพราะฉะนั้นในช่วงเจ็ดโมงถึงเจ็ดโมงครึง่งรับประหาร เจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงนี่ล้วก็ทําอาจจะบางคนก็ยังไม่เสร็จพร้อมกันอากาศ ว, ว่าช่วงเจ็ดมงถึงแปดโมงเป็นช่วงทานอาหารแปดโมงถึงแปดโมงครึ่งเนะี่ยทธุระส่วนตัวครึ่งชัวง่วโมงน่าจะเสร็จประมาณแปดโมงครึ่งเราก็มาเริ่มปฏิบัติที่นี่นะนั้นผู้ใหม่ถ้ามีคนใหม่มาก็จะแยกไปใช้ศาลาข้างล่าง สำหรับผู้ที่เก่าในช่วงแรกจะให้เข้านั่งปฏิบัติเข้าเก็บอารมณ์รวมกันที่นี่ก่อนสักสองวันสามวันสองวันดูว่าใครเริ่มแก้ไขนิวรไดก้ก็ช่วงหลังอีกสามวันหรือสองวันสามวันที่เวลาก็จะแยกไปเก็บอารมณ์ข้ห้องแต่จะไม่ห้องข้าห้อง ตอนแรกเลยเนะี่ยตนแรกยัให้เก็บปฏิบัติรวมกันข้างบนนี้ก่อนเก็บรวมก่อนเพื่อแก้ไขนิวรณ์ให้ลงตัวคนไหนที่รู้สึกว่านิวรณ์ลงสนิทละแล้วก็จะไปเข้าห้องต่อนี่คือโปรแกรมที่เราจะทําแต่ละวันอในถ้าว่ามีผู้ใหม่แจมมาหรือเกิรงเก่าเกึรงใหม่เพิ่งมาปฏิบัติไม่นานก็จะให้ถือว่าเป็นผู้ใหม่อยู่ก็จะแยกไปปฏิบัติต่างหากน่ะ จะเป็นข้างล่างลิสลาน้นหรือลิสลาข้างล่างก็ตามแต่ข้างบนนี้จะเป็นที่เก็บอารมณ์ของผู้ผู้เรียกเตรียมเข้าห้อ ง, องกันเถอะอันนี้ต้งนั่งรวมกันที่นี่ไม่ให้ไปไหนะนะรวดเล้วเก็บรวมกันมีพื้นที่เดินพื้นที่นั่งพอมดในข้างบนเนี่ยเวลาฝนมาก็ไม่ต้องลําบากก็วิ่งข้ลนลงมพื่นเองนะฝนมามาก็เดินตรงกลางนี่แหละอันนี้ในช่วงจนไปถึง สิบเอโมงนะก็รับอาหารกลางวันจากสิเอ็ไปถึงเที่ยงนี่ก็พอดีหนึ่งชั่วโมงทานอาหารเสร็จแล้วเริ่มวิธีก็เที่ยงครึ่งเวลาเตรียมตัวหนึ่งครึ่งชั่วโมงจากเรี่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเราก็มารวมตัวเบื้องต้นกันก่อนอาจจะมีการทําความเข้าใจอะไรเบื้องต้นสรุปบทเรียนช่วงเช้าว่าใครเป็นอย่างไรบ้าง ครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะลุ่มบ่ายโมงจากเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงก็สรุปบุเรียนช่วงเช้างั้นบ่ายโมงเป็นต้นไม้ถึงบ่ายสามโมงก็ลองปฏิบัติอารมณ์กันจากบ่ายสามมงถึงหรือจากบ่ายโมงบ่าสามงนอกปฏิบัติกับบ่ายสามงถึงบ่ายห้าโมงก็ก็ลงปีกไปส่วนตัวดูข้างนอกข้างล่างถ้าห้าโมงก็ ช่วงแรกก็มีการสอบอารมณ์ก่อนแล้วสอบอารมเ์เสร็จก็ไปอาบน้าอาบท้ากลับเข้ามาอีกทีก็6กโมงครึ่งจากหโมงครึ่งไปถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยจะมีเตรียมความพร้อมก็คือจะได้ฟังวิดีโอครูบาอาจารย์นะนี่ก็เลยว่าเช็คทีวีเมื่อคืนทีวีรุ่นที่เราใช้อยู่มันไม่มีช่องให้เสียบ usb อวันนี้เขคงจะหาทีวีสักเครื่องเด็ที่เสียบ USB อสบีข้างหลังได้คือไม่ต้องเอาใช้คอมกันได้ยเอสบีเสียบข้างหลังก็ใช้รีโมทเล่นหน้าหน้าหน้าจอทีวีในบ้านนี้คงจะมีทีวีหลายเครื่องอยู่แล้วทีวีจแวนแต่เครื่องที่เราใช้อยู่ที่นี่มันไม่มันเป็นรุ่นเก่ามากก็เลยไม่มียูเอสบีด้านหลังไปตามดูห้องใครที่มีข อ, อยืมมาก่อนเล็กก็น่าจะได้อยู่นะรุ่นใหม่ นิ้วอะอ๋อรุ่นใหม่นี้ยังไม่มีเลยนะอัปเดตจะหน่อยก็แล้กันใช่ก็ช่วงสวระหลุมปนะช่วงนั้นห้าโมงพอดีไหมแล้วสี่โมงคึ่งก็สอบประหลมก็ทานน้ำปนะไปด้วยสวระหลมไปด้วยเอาห้ามงก็เสร็จเที่ยวนี้ได้ข่าวว่านึกว่จะเอาอาหารข้างนอกนี่ได้ข่าวเฉยเยก็ไม่จําเป็นต้องเคลียร์ของอะไรอ๋อเลย ช่วงห้าโมงถึงห้ามงครึง่งจากนั้นก็อ3 0งครึงถึงหกโมงก็ไปทำธุระส่วนตัวอนาน้อาบถ้า6ห0โมงก็มาศึกษาธรรมะจากวิโอวิดิทัศน์หนึ่งทุม่มเราก็ล่มทวัดหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุมครึง่งหนึ่งชั่วโมงก็สอบวิจัยธรรมกันต่อสอบพลมสนธนาธรรมถามปัญหา จากช่วงนทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งอันนี้คือสเกจ l ูประจำวันเดลี่สเกจจูก็อันนี้คร่าวๆไ้ก่อนนะั้นถ้ามีอะไรก็ปรับปรับเปลี่ยนได้ปเปลี่ยนได้เออบางทีพอดีเมื่อวานจะมีคนหนึ่งจะมาด้วยแฟลุงนวย อาจจะรถมันเต็มซะก่อนเนอลยก็เลยว่าบางทีวันนี้อาจจะวันนี้หรือพรุ่งนีชาา้ช้าลูกข้อมันส่งเพราะวันนี้ามาลืมของบางอย่างไว้ที่วัดจะให้ท่านใดท่านหนึ่งกลับไปเอาจะเป็นท่านเอฟหรือท่านหมอดูก่นอนบางทีเราเวลาเราฟังเสียงนะอาจจะไม่ต้องใช้เครื่องอยาโดยใช้บลูทูธตัวนั้นเตี๊ยจานนันทวายนะมันไมอามาด้วยเราเปิด เพราะว่าบริเวณใกล้ๆนี่เราไม่อาจมัต้องใช้เครื่องใหญ่กว้างก็ได้ยังเล็กๆเนี่ยนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะจบนะเรื่อสเกจูปฏิบัติปฏิบัติโยมข้าขึ้นบนนี้ก็ไปปฏิบัติข้างนอกเราข้างล่างเนี่ยเอาไปปฏิบัติส่วนตัวข้างนอกใช้จุดไหนอาจจะเดินน รอบๆบริเวณนี้ี่หัมุ่งครึ่งโมงคนยังไม่พร้อมก็เราก็ให้เวลาครึ่งชั่วโมงเช้าคืนมุ่งใครพร้อมก่อนก็มาศึกษาวิธีแทะตั้งแต่สิบแปดถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งทุ่มสิบเก้าก็ให้เวลายิดอยู่นเอาไว้ครึ่งชั่วโมงอย่างเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งถึงหนึ่งบมงก็เป็นเวลายืดหยุ่นสําหรับคนที่ไม่พร้อมครึ่งชั่วโมงคนไหนพร้อมก็มาก่อนในครึ่งชั่วโมงก็ได้ รายการดีไปเพราะมันวินสี่คนไม่เท่ากันต้องให้เวลายืดอยู่ในเขาอีกน้อยครึงง่งชั่วโมงงานนี้คงเก็บโทรศัพท์ ม, มันเดิมนเนาะโอเคทางเขารู้สตินี่ชักงองแงแล้วเพะว่าจะไปเลี้ยงเราค ง, งเด็กดขาดหน่อยครูจีเก็บโทรศัพท์ไ ม, ม่ค่อยหมดบางที ว่านั่นคนเลืองสิทธิ์เก่าจากักกิเลสแข็งขึ้นกว่าธรรมะแข็งกไม่เป็นแบบอย่างที่ดีกันรุนน้ององันเดียเข้ามาสมเพิ่มใช่ใช่ใช่คือสอง่งณโตทะเบียนเลยถ้ายังไม่ส่งโทรศัพท์ก็ยังยังไม่ลงทะเบียนให้ hmm. <c oughs> ส่งนิตติโตทะเบียนอัเดยเล็กเล็กไหนเล็กดวงฟอนต์วะ <c oughs> อ๋อเล็กแกนยาคนละเล็กไงอ๋อเด้อ อ็ออเลยตกลงจบนะเรื่องสเกจูแล้วก็ทำมาสุดท้ายก็อย่างที่เราทำมีการตักบาตรทำบุญตักบาตรต่อพุิธิปิเนกัลักษ์ของเราให้ได้ให้นักปฏิบัติได้บำเพ็ญทานพลวงพว ก, ก็ต่อนะก็ในเมื่อกี้ที่ฟังฝายเสียงของหลวงพ่อชาน่าสนใจ ดูมคนเจอมีมีสองภาคนะีภาคแรกพูดกับคนที่เข้ามาจากต่างประเทศช่วงต้นท่านพูดบอกว่าเรื่องหลักปฏิบัติมันก็มีอยู่แค่สติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาแค่นั้นทำตรงนั้นให้มันถูกต้องกระจบท่านว่าใช่ไหมแต่ตัวที่ท่านว่าถึงมาประกอบส่วนประกอบเนี่ยท่านว่าสาคัญส่วนประกอบเพื่อการให้ทานการรักษาศีลกันเจริณ สมถภาวนาการเจรียนสมถภาวนาท่านก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบอยู่นะเมื่อทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นส่วนประกอบของสติสมัญญสมาธิปัญญาสี่ตัวเนี่ยยันก็เลยว่าในส่วนประกอบพวกเราก็ส่วนใหญ่ก็เรียนรู้ใช้ชีวิตกันมาในไอแวดวงของพุทธบริษัตทอยู่แล้วทานศีลภาวนาเนี่ยก็ถือว่าเราได้สร้างส่วนประกอบมาแล้ว การมาปฏิบัติที่นี่เราก็ถือว่ามีส่วนประกอบที่สมบูรณ์ละเราก็มาทำในเรื่องของสี่ตัวเนี่ยสติสัมยาสมาธิและปัญญาซึ่งอาจารย์กรรมฐานที่ท่านเข้าถึงจุดสูง ส, สุดแล้วท่านก็จะนิดเหมือนกันต้งกันหมดนะี่สี่อย่างเนี่ยเพรา ะ, ะนั้นจึงไม่น่าสงสัยว่าเราจะ อ, าอะไรอะไรมากกว่านี้เราก็เพียงแต่ว่ามาย่อยแยกให้มันบริโภคได้ มากขึ้นได้อย่างไรบริโภคสติมากขึ้นได้อย่างไรสมมุติว่ามันเป็นอาหารก้อนหนึ่งที่อาจจะเป็นดิบๆสุกๆอยู่เนี่ยเราจะมาต้มมาแกงมาทําให้มันสุกที่กินได้แบบไม่มีโทษได้อย่างไรทําสติสัมยะสมาธิและปัญญาในชุดนี้จะเห็นว่าไม่มีคําว่าศีลเลยเห็นไหมในชุดประพากปฏิบัติสติ สัญญาเป็นศิลเดอือดอัตโนมัติเป็นศีลเขาเรียกอริยกันตศดสินะสติสัสมญาเป็นอริยกันตศดสินคือศินไม่ใช่ศินสังคมแต่ใช้ก็ว่าสินประมัดเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติต้องใช้สิลประมัดเพราะสินสังคมถือว่าเราได้บำเพ็ญมาแล้วในฐานะพุทธบริษัทเป็นฐานที่ให้ส่งเรามาถึงจุด น, นี้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็มาเรียนรู้ ก, การมีศินสินประมัดก็ได้แกส่สติสัญญาเองทุกครั้งที่เราใช้ชีวิตที่มีสติสัญญาเนี่ยถือว่ามีศินสมบูรณ์ นะแต่เมื่อไรเราเผลอสติปั๊บเนี่ยศีลประม m a t ก็เศ้ามองนะตรงที่แต่ศีลสังคมเนี่ยเวลาเราไปละเมิดเข้าให้เกิดความเดือดร้อนในตนเองและผู้อื่นนะถือว่าเป็นละเมิดศีลสังคมแต่ศีลประม m a t เพียงแต่ว่าลืมหลงสติเท่านั้นแหละศีลประม m a t ก็เศ้ามองด่างพร้อยทันทีซึ่งจะขาดได้ง่ายกว่า ศีลสมมติโดยซ้าไปเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปการมีศีลในผีศีลก็ปรากฏได้ตลอดเวลาไม่ใช่ผีศีลอะศีลฉันใช่คำว่าอริยกันแต่ศีลนั่นนะศีลที่พระอริยเจ้ารักษาศีลที่อริยบุคคลรักษาอ่ะสีลัญจักภาษาทางธรรมทัสนังอนุยุนเชทาเมธาวีสรังพุทธานาาสนังสีลัญจะว่า ผู้มีปัญญาหมายถึงผู้ที่เป็นอริยบุคคลถือว่ามีปัญญาแล้วนะเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาพึงสมศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมให้หนึ่งๆตรงนั้นที่เป็นขอบข่ายของอริยกันแต่สิลพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติอะไ้เอาคำพูดของพระชาบังขพูดมาวิจัยต่อนะที่ว่านี่นะท่า น, นพูดถึงเรื่องว่าหลักปฏิบัติหลักๆก็มีสีอย่าง แล้วก็ส่วนประกอบหลักๆ ก, ก็มีสามอย่างคือทานศีลภาวนาส่วนที่จะไปย่อยเป็นอะไรบ้างดูมนยาทานท่านจะให้สองข้อหมายที่เป็นประมติทานกันสมมนนบมส ม, มุติทานทานบารมีสมุติทานที่สิ่งที่เป็นวัตถุเนี่ยนะสิ่งที่เป็นวัตถุทานทั้งหลายการให้การสงเคราะห์ด้วดยสิ่งที่เป็นวัตถุทานทั้งหลายนี่เรียกเป็นส ม, มุติทาน แต่ที่เป็นปรมาถท า, านเนี่ยเราใช้คำว่าปรมาถฐานปรามีก็ได้ว่าการให้อภัยการให้สล ะ, ะความคิดเห็นเช่นว่าเรามีการเห็นเนผิดกั น, นถ้าเราไม่สละไม่ให้ทานตรงนี้เราก็จะทะเลาะ ก, กันเราก็จ ะ, ะไม่ให้ถ้าอันนี้เป็นความคิดของเราเราต้องถูกกว่านี ถ้าเรายึดไว้อยู่แสดงว่าเรายัางไม่ให้ทานออกไปถ้าเราไม่ยึดเราสละความคิดนะขอนะปล่อยให้แกชนะขอให้แกเอาไปฉันยอมอะลักษณะนี้เดี๋ยว่าเป็นปรมาตฐานละทานขั้นสูงหรือเขามาละเมิดเราถ้าเราไปถือสาหาความเาเรื่องอะาราก็เป็นความกันแต่การให้อภัยนี่เป็นปรมาตฐานเรียกวอภัยทาน มาด่ามาว่ามานินทามาดูถูกมาประมาทมาเข้าใจเราผิดถ้าเราไปถือสาหาความแล้วก็มีเรื่องมีราวนี่ก็เรียกว่าเรายังไม่ได้ให้อภัยเมื่ให้ประมตททานเราให้แต่วัตถุทานซึ่งยากกว่าใช่ไหมยากไม่พิชีิยากนะประมตททานนะยากกว่าวัตถุทานมากวัตถุทานแค่พุนไม้พุนมื อ, พ, มอพุนกระเป๋าไปก็จบละ แต่ปรมารทธรรมันไม่พ้นมุนที่าภัยมันเยังขาดใจอยู่ใั่ไหมยังไม่หมดเมื่อกี้พูดผิดใจแกอมันมาหล<ม>ายรอบให้บ่อยๆเราแอบไปบ่อยๆหมดเมื่อนั้นะแล้วมมนนะปรมารทฐา น, <laughs> นเพราะนั้นในครอบครัวนี่ต้องว่าต้องให้ทานประเภทนี้บ่อยๆไม่งั้นเราก็ปรมาทธรรเราก็ไม่สมบูรณ์นะารให้อภัยแล้วก็ การให้สติปัญญาอันนี้ก็เป็นปรมัตฐานเหมือนกันเช่นฝ่ายหนึ่งทำอะไรไม่ถูกต้องไม่สมควรเราให้ข้อแนะนำให้คำเตือนให้สติอันนี้ก็เราเป็นผู้ให้ปรมัตฐานแต่ว่าการให้ปรมัตฐานให้ยากนะบางทีให้ไปแล้วเขาไม่รับอย่างเงี้ยมันจะให้ง่ายที่ที่ว่าปรมัตฐานมีอันิสงส์สูงเพราะมันให้ยากแต่ถ้าให้แล้วมีคนรับให้เนี่ยถือว่า เราบำเพ็ญปรมัตถฐานได้สําเร็จอภัยทานอาภิภัณเป็นเรื่องของเราว่าถ้าสมมติว่าเรามีอะไรผิดพลาดผิด พ, พองหมองใจโดยคําพูดด้วยการกระทำด้วยความเข้าใจผิดแล้วให้อภัยไปถ้าหากว่ามันให้อภัยไปแล้วมันเกลี้ยงใจไม่ขาดใจถือว่าปรมัตถฐานอาภัยทานเป็นปรมัตถฐานขั้นสูงขึ้นไปอีกคืออันนี้สิ่งละเ อ, อยียดอ่อนนะ นั่นในในสังคมคนจะให้ทานระดับเนี่ยมากในระดับที่เป็นธรรมทานเนี่ยนะแต่ว่าถุทานส่วนใหญ่คนทั่วไปก็แสวงหากันได้แต่ว่าคนที่มีกําลังน้อยกว่าสติปัญญาน้อยกว่าก็ควได้รับการช่วยเหลือการสงเคราะห์อันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่จะต้องดูแลสังคมอันนี้เขาเรียกว่าการบำเพ็ญทานเพราะฉะนั้นฉันจึงแบ่งเป็นสามขัน้นทานะ ปารมีฐานาอุปปารมีฐานาปรามัฏฐปารมีฐานาปารมีธรรมดาคือเป็นวัตถุทานฐานาอุปปารมีก็คือการให้ในส่วนที่ อ, อภัยทานฐะานาอุปปารมีฐานาปรามัตฐปารมีหมายถึงการให้สติให้ปัญญาเช่นลูกเขาทําไม่ถูกไม่ควรทำอะไรไม่เหมาะไม่สมเราก็ ให้คําสอนให้คําเตือนบ่อยๆต้องให้บ่อยๆถ้าคนไหนที่ขาดแคลนมากๆก็ให้บ่อยๆแต่ว่าคนให้ปรมามัดฐานที่ว่าให้ยากก็ต้องให้ด้วยปัญญาแต่ จ, จู่ๆไปบอกไปสอนไปเตือนเขาโดยที่เขาไม่พร้อมที่จะรับเนี่ยอันนั้นการประมัดกายเป็นโทษการเป็นโทษ เ, เราก็ต้องดูความพร้อมของผู้รับด้วยว่าเขาพร้อมที่จะรับฟังไหมเขาพร้อมที่จะเชื่อไหมในวิธีที่จะ เราดรูกาลเทศะในการบอกในการสอนในการเตือนต้องดูความพร้อมของผู้รับด้วยว่าผู้รับมีความพร้อมแค่ไหนผู้รับเขาศรัทธาแค่ไหนตรงนี้ยากสำหรับชาวบ้านนะเพราะชาวบ้านถือว่ามีศีลเสมอกันมีทิฏฐิไม่เสมอกันก็ทาให้ยากแต่ถ้าหากว่ามาอยู่สมมติอีกระดับหนึ่งอย่างอาตมาเนี่ยอยู่ในส ม, มุติอีกระดับหนึ่งก็ ถูกสมมติว่าเป็นผู้มีศีลสูงกว่ามีสมาธิสูงกว่ามีปัญญาสูงกว่าผู้รับก็ต้องมีศรัทธาเพราะมีศรัทธาแล้วการให้ก็ง่ายขึ้นไงอันนี้ที่ว่าทางสมมติที่เป็นสังฆะที่ที่เคารพสังฆะก็เพรามีจุดเนี่ยที่เราว่ามาเมื่อคืนว่ามีเป็นผู้ปฏิบัติดีด้วยกายวาจาใจเป็นปฏิบัติตรงด้วยกายวาจาใจปุ่นเป็นปฏิบัติแก้ปัญหาด้วยกายวาจาใจเป็นผู้ปฏิบัติด้วย ความพอดีด้วยกายว า, จายใจใจเนี่ยทั้งสี่ข้อเนี่ยผู้ใดมีก็ถือว่าผู้นั้นก็อนเป็นที่ตั้งของศรัทธาที่สามารถให้ปรมัติฐานได้ได้ง่ายกว่าอันนี้เรียกว่าเปิมเป็นทานในชด ต, ต, ต่อมาที่ฝรั่งถามหลวงพ่อชาพอจำได้ไหมถามว่าไงความบริสุทธ์เป็นไงใช่ไหมท่านก็ถาม พระชาว่าถ้าคุณกินน้าที่บริสุทธิ์กับน้ำไม่บริสุทธิ์คุณรู้สึกยังไงคุณใส่เสื้อผ้าที่สะอาดกับไม่สะอาดรู้สึกยังไงคุณอยู่ในที่สุขภพกก็อยู่ที่ไดคุณรู้สึกยังไงในความว่าความสะอาดเป็นสิ่งสมมุติแต่ว่ามันมีโทษมีคุณต่อต่อสุขภาพต่อกายต่อใจเราถ้าเรามีความเห็นที่บริสุทธิ์กับความเห็นที่ไม่บริสุทธิ์เป็นอย่างไรถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์กับศีลไม่บริสุทธิ์เป็นอย่างไร มันก็จะเป็นคําตอบในตัวของมันกินน้าไม่บริสุทธิ์เกิดอะไรขึ้นกินอาหารไม่บริสุทธิ์เกิดอะไรขึ้นมีผลทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าผลระยะสั้นหมายความว่าสุขกับปลุกมากๆผลระยะยาวมันอาจจะสุกกับกน้อยเช่นพวกสารพิษพวกอาหารพวกงูชิวลวดพวกสารไอปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยมันก็คือแปดเปื้อนนั่นเองแต่มีผลระยะยาวระยะต้นมันอาจจะอร่อยนะเด็ดอร่อยมาก อันนี้คือในตัวที่ความไม่บริสุทธิ์ของอาหารก็จะมีผลต่อร่างกายและยังระยะนยาที่ความไม่บริสุทธิ์ของจิตเนี่ยทาให้บริสุทธิ์มากๆว่าจะไม่บริสุทธิ์กายไม่บริสุทธิ์ที่มีผลระยะสั้นคือเช่นคําพูดของเราพูดโดยเจตนาไม่บริสุทธิ์ทําให้ฝ่ายได้รับฟังเนี่ยเกิดปฏิฆางุนหิทันทีการมีผลตอบสนองทันทีนั้นแสดงว่าเจตนาเราไม่บริสุทธิ์ บางทีเจตนาบริสุทธิ์แต่ว่าใช้ผิดกาลเทศะนั้นหมายความว่าเราไม่ไม่มีปัญญาในการใช้ก็ะทั่มาอีกฝ่ายหนึ่งรับไม่ได้อันนี้ที่ความยากของมันนั้นในการให้ยังในการให้ปรมาถานนี้จึงเป็นให้ได้ได้อันนี้สงสูงมากแต่ให้ยากตรงที่วมันต้องพิจารณาหลายด้านว่าผู้ผู้รับมีศรัทธาไหมผู้ให้มีปัญญาไหมถ้าประกอบด้วยสองด้านเนี้น ที่การให้ปรมัตถทานปรมัตถบา ร, รมีถึงมีผลสูงที่ทําให้เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ง่ายเพราะมันยากตรงนี้แหละอันนี้ท่านก็พูดถึงส่วนประกอบทานศีลและการภาวนาการวิปัสสนาภาวนาก็เน้นสี่ตัวดังกล่าวมาเมื่อกี้สติสัมยะสมาธิปัญญาสมถธาวภาวนาก็เน้นความสงบเน้นสมาธิอย่างเดียว สงบใจนิวรก่อนเป็นใจสมถนะที่รังเขาถามด้วว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วจะทําไงต่อไปนะครั <c oughs> บดีนะท่านก็ตอบว่าถ้าบริสุทธิ์แล้วยังไปยึดว่าเราบริสุทธิ์ตัวเองบริสุทธิ์กันนั้นกับบริสุทธิ์นี้ก็ยังยังมีโทษอยู่เพราะยังไม่ปล่อยวางถ้าเราไปยึดอ น้ำนี่บริสุทธิ์ไปที่ไหนน้ำที่อื่นไม่บริสุทธิ์หมดก็ต้องพกน้ําติดตัวไปตลอดแล้วก็เดือดร้อนละใช่ไหมก็ไปเห็นน้านที่อื่นไม่บริสุทธิ์หมดเห็นตัวเองบริสุทธิ์คนเดียวคนอื่นไม่บริสุทธิ์หมดไปไหนก็เดือดร้อนแล้วเพราะว่าปรับตัวไม่ได้เอาไปผู้ที่รักษาศีลก็ยึดศีลบริสุทธิ์เราศีลบริสุทธิ์คนเดียวคนอื่นศีลไม่บริสุทธิ์หมดก็อยู่ลําบากแล้วนี่ก็เรียก ว, ว่า ไปยึดความยิดมัน่นหือมั่นในความบริสุทธิ์ก็จะเดือดร้อนท่านบอกให้ปล่อยวางหมายความว่าเอาตามเหตุตามปัจจัยที่ในบริสุทธิ์ก็ใช้บริสุทธิ์ไปที่อื่นอาจจะบริสุทธิบ์ธบ้างมโ้ปิเศษก็จะเป็นต้องใช้ไปเพาะมันจําเป็นอันนี้คือเราเลือกไม่ได้ะเ น, น้เนที่การปล่อยวางด้วยแต่ <c oughs> เราเป็นผู้รักษาศีลเนี่ยหรือทําสมาธิไปเจอคุณไม่มีศีลไม่มีสมาธิอยู่ด้วยถ้าเรา ยึดมั่นในความบริสุทธิ์ของเราแล้วก็จะรู้สึกลังเกียดเหลียดอยามคนที่ไม่มีศีลเหมือนเราไม่มีสมาธิเหมือนเราดังนี้เราก็ความบริสุทธิ์ของเราก็จ ะ, ะไม่บริสุทธิ์อีกลเห็นไหมเพียงแต่ยึดเนี่ยตัวบริสุทธิ์ก็กลายเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ไปเลยอันนี้ในส่วนที่ท่านยกมาประกอบนะแล้วก็ท่านก็ถามพลังก็ถามถึงเรื่องการมีครอบครัว การมีครอบครัวมันจะต้องมีคู่ผัวตัวเมียอยู่ร่วมกันมาเกี่ยวข้องด้วยความสนุกสนานความมีเด็ดอร่อยจะทําอย่างไรนะถ้าเรามาปฏิบัติทำ อ, อันใช้คำว่าต้องรู้จักประมาณอาหารที่อร่อยขนาดไหนถ้าไม่รู้จักประมาณอาหารนั่นก็นเป็นโทษอันใช้ว่ากามะสังวรนะ <c oughs> ถ้าเป็นอาหารอันใช้ก็ว่าผัชนีมัตรยุตา เพราะวาความเด็ดอร่อยในกามเนี่ยก็คือเป็นภพของสวรรค์คือได้อย่างใจได้อร่อยต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจได้รับรสชาต่งตางๆหูจมูกลิ้นกายใจท่านบอกว่ามันมีโทษอยู่กามคือความเด็ ด, ดอรอยมีโทษอยู่คือมันเปลี่ยนไปเราทานเราทานที่นี่อร่อยไปทานที่อื่นไม่อร่อยเราก็จะเกิดความหงุดหงิดเป็นทุกข์ละเราอยู่ที่บ้านเราสบายสบายมาทำที่นี่ไม่สบาย เราไปติดความสบายแสดงว่าเราไปติดสุขออกจากบ้านไม่ได้ก็ทำอะไรที่ออกจากบ้านก็ไม่ได้ก็จะถือว่าติดสุขนั่นเขาเรียกว่าสวรรค์ก็กลายเป็นนรกตรงที่ว่าเรามีการไม่สามารถยอมรับมีความไม่สบายนั้นไม่ได้ท่านก็นบอกว่าให้เห็นโทษอาทีนวะให้เห็นโทษของความอดิเรกอร่อยด้วยก็คือไม่ยึดนั่นเองอ บางแห่งอร่อยบางแห่งไม่อร่อยบางแห่งสบายบางแห่งไม่สบายก็อยู่ได้สวรรค์ก็ยังเป็นสวรรค์อยู่แต่ถ้าบางแห่งไม่สบายไม่สนุกสนานไม่ได้อย่างใจเราเป็นทุกข์สวรรค์ก็เปลี่ยนเปน็นนรกทันทีเหมือนกันนี่โทษของมันอยู่ตรงนั้นโทษของที่มันเปลี่ยนแปล ง, งนะแต่ถ้าเรามีสติปัญญาในการใช้เราก็ได้ทั้งสวรรค์ด้วยได้ทั้งนิพพานด้วยไปในตัวนะ ชายกลามาสังวรสํารวมระวังรู้จักประมาณในการเสพตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่ามันก็ต้องได้รับพิษภัยอยู่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ดีแต่ว่ามันจะน้อยกว่าคนที่ไม่มีการสังวรนัน่นเองนีความเป็นโทษของการคลองเรือนไม่มีโทษอย่างนั้นท่านก็เลยมาสรรเสริญ ก, ก, ก, การออกบวชออกหลีกเล้นการออกบวชมันอะไรควาไม่ต้องบวชเป็นพระนะการมาอยู่วัดอยู่ว่ายยังสารปฏิบัติธรรมก็ถือว่าบวชละ รูปแบบจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้แต่สภาวะจิตมันเป็นนักบวชละอันนี้ก็คือใคำตอบของท่านในส่วนต่อมาก็รู้มันมาช็อตที่สองนะช็อตที่สองพูดถึงท่านพูดถึงว่าเอาพุทเจ้าหรือพระโพธิสัตว์เอาต้นไม้เป็นอาจารย์เลยอย่าว่าเอาคนเป็นอาจารย์ใช่ไหม ต้นไม้เป็นอาจารย์ได้เช่นตอนที่ท่านไปเห็นในอ น, นเป็นพระราชาเนะพอบริษัทบา ง, บางชาติบางภพนั้นก็เป็นพระราชารอผ่านไปทางว่ามันมีต้นมม่งอยู่สองสามต้นต้นหนึ่งทำไมมันใบมันล่ว ง, ม, ว ง, ม, วงมันหล่นกิ่งมันหักมันลานลงมา อีกต้นหนึ่งมันทําไมมันรวมสมบูรณ์ใบยังเขียวช่อุมร่มภูมหนาเหมือนเดิมอีกต้นทำไมกิ่งหักและลานใบร่วงประมดต้นแล้วถามอมัดไอ้ทำไมมันเป็นยังไงต้นห่งสองต้นหนึ่งต่างกันไอ้ต้นที่มันใบร่วงกิ่งหักก็เพราะว่ามันมีลูกเยอะคนก็ต้องการลูกของมันก็ทั้งลานทั้งตัดทั้งลานลงแต่อีกต้นมันไม่มีผลคนก็ไม่ต้องการ ถ้าบอกเหมือนคนเน่คนที่สมบูรณ์ด้วยลาบยศฉันดื่นเน่ะมันมีผลเยอะคนทีว่าพึ่งพาอาศัยคนนั้นก็ขออันนี้คนนี้ขอันั้นขอตำแหน่งขอเงินใช้ขอเหมือนพวก บ, บารามีทั้งหลายนี่ยพวกที่เขาสร้างพวกสอสอทั้หลายเนี่ยพอหมดสภาพเป็นสอสไม่มีอะไรเหลือเลยรหรือพวกที่สร้างบารามีทาทั้งหลายเนี่ยก็ถูก เบียดเบียนหลังแก่ได้รูปแบบต่างๆอีกคนก็อิจฉาลิชยามีการฟ้องมีการร้องมีการทำลายกันทั้งทางตรงทางอ้อมเพราะความอิจฉาลิชยาต้องการเอาผลแต่ถ้าคนนั้นมีบารมีจริงมีทานบารมีมีศีลบารมีด้วยเขาก็ยังถึงแม้ต้นต้นจะมีผลเยอะแต่ว่าก็รู้จักให้คนอื่นไปกินตามผลเหมือนเจ้าของต้นมะม่วงมีเจ้าของ อใครจะกินจะก็รู้จักเด็ดจากอันทีขายไปมึงต้นก็ยังสมบูรณ์เหมือนเดิมไม่ใช่คนมีลาบมียศชนะเสือจะถูกลาลานเรื่อยไปแต่คนที่ไม่รู้จกให้แต่นิทีเหนียวยหรือไม่มีปัญญาในการที่จะให้เขาก็ละลานเอาอีช้าเอาสําหรับต้นที่ไม่มีผลไหมเพราะว่าบางคนไม่มีลาบยศชนะเสือก็อยู่สบายกว่าไมไปชนคนธรรมดาอันนี้เขาเขาถามในเรื่องนี้แล้วร น, นที่สุดพระโพธิสัตว์เออ งานกระตุ้นไม้ตุ้นโมงตุ้นี้เป็นอาจารย์ของฉันใ น, ในส่วนที่อุจฉนล่าสุดที่เราได้ฟังเท่าที่จําได้นะอืเพราะนั้นก็ช่งชวงเช้านี่เราให้ข้อคิดกันแค่นี้ช่วงแรกก็เป็นเรื่องของสเกจชัวรคงจะลงตัวตามนั้นนะนะถ้ามีอะไรปรับเปลี่ยนก็แล้วแต่ช่วงที่สองเราเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเคลียให้มันชัดอีกทีหนึ่ง ว่าเราจะไปย่อยสลายใช้ได้